เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สี่ฐานที่มั่นของอุปาทานแม้ว่าครึ่งหลังของเดือนที่สามท่านจะออกอาการเดินกระโปลกกระเพลกบนเส้นทางสู่มรรคผลหน่อยแต่อย่างน้อยการเปลิกวิเวกบำเพนเพียงในช่วงต้นเดือนก็ทำให้เห็นซึ้งลงไปถึงระดับสภาวะธรรมเกิดดับชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรูปธรรมหรือนามธรรม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 สิ่งที่ฉันจะทำไว้ในใจคือดูความพร้อมกับดูขันที่เหมาะ